พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่21ส็ดสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายจตุการนิบาตจตุตถาปันนาตหมวดห้าสิบที่สี่วรรคที่หนึ่งชื่ออินทริยาวรคว่าด้วยธรรมะอันเป็นใหญ่ทรงสแสดงอินทรีสี่หรือธรรมะอันเป็นใหญ่สี่คือความเชื่อความเอียนความตั้งมั่น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 ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายาก 3. ภิกษุผู้สดับารับฟังมากไม่สอนผู้อื่นให้ท่องจำพระสูตรโดยเคารพเมื่อภิกษุผู้สึกบารับฟังมากเหล่านั้นล่วงลับไปพระสูตรก็ชื่อว่ามีมูลรากอันขาดหมายถึงไม่มีผู้ทรงจำได้ก็จะไม่เป็นที่พึ่งสี่ ภิกษุผู้เป็นเทระเป็นผู้มากมากย่อหย่อนเอาแต่นอนหลับทอดทุระในความสงัดไม่ปรารบความเอียนเพื่อบรรุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทำให้คนรุ่นหลังถือเป็นตัวอย่างส่วนในทางดีส่งแสดงโดยไนตรงกันข้ามวักที่สอง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 ดับ ก, กิเลสได้เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว 3. ามผู้ไม่ต้องใช้ความเพียรดับ ก, กิเลสได้ในปัจจุบัน 4. ี่ผู้ไม่ต้องใช้ความเพียนดับ ก, กิเลสได้เมื่อสิ้นชีวิตแล้วสองประเภทแรกตรัสอธิบายในทางผู้ปฏิบัติสายวิปัสสนาส่วนสองประเภทหลังตรัสอธิบายในทางผู้ปฏิบัติสายสมถะ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 ถึงปฏิสัมพิทาสีคือความแตกฉานอย่างที่ท่านทําให้แจ้งคือความแตกฉานในอัตถะหรือเนื้อความในธรรมะคือคําสอนในนิรุตติภาษาพูดและในปฏิาพนฏานหมายถึงญาณความรู้ความแตกฉานสี่อย่างหรือปฏิสัมพิทาสี่อย่างนี้เป็นเหตุให้ท่านตอบปัญหาได้ในที่เฉพาะพระพักพระาศาสดา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 ในทรรนองเดียวกับที่พระสารีบุตรตอบพระสารีบุตรตอบปัญหาของพระอุปปวานาะผู้ถามว่าภิกษุทําที่สุดทุกข์ได้ด้วยวิชาใช่หรือไม่ด้วยเจรณนะคือความประพฤติสิบห้าอย่างใช่หรือไม่ด้วยทั้งวิชาและจรณนะใช่หรือไม่เว้นจากทั้งสองอย่างใช่หรือไม่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 อันสงบระงับอย่างใดอย่างหนึ่งเจโตวิมุตต์ความหลุดพ้นแห่งจิตในที่นี้หมายเอาสมาบัตหรือฌานแปดคือฌานมีรูปเป็นอารมณ์สีมีนามเป็นอารมณ์สีภิกษุเข้าเจโตวิมุตต์อันสงบระงับอย่างใดอย่างหนึ่งใส่ใจความดับกายของตนในที่นี้คือสักยญาิโรธความดับกายของตนซึ่งอัตถกถาแก้ว่า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 ภิกษุผู้เข้าเจโตวิมุตตเหมือนข้อสามจิตของเธอแล่นไปตั้งอยู่ในการทำลายอาวิชชาเธอจึงหวังการทำลายอาวิชชาได้พระสารีบุตรตอบปัญหาของพระอ น, นุนที่ว่าเหตุไรสัตว์บางเหล่าในโลกนี้จึงไม่นิพพานในปัจจุบันโดยชี้แจงว่าเพราะสัตว์เหล่านั้นไม่รู้ตามความจริงว่า